เวลานี้เรามาประชุมกันสารากา ร, รเรียนนี้ออก็เพื่อที่จะฝึกกายฝึกใจให้สงบกายก็นั่งตรงตรงใจก็พยายามมีสติควบคุมไว้ไม่ให้ พุ่งไปข้างนอกถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้ตามธรรมดาแล้วพอตื่นนอนมามันคิดแล้วมันนึกถึงเรื่องอะไรมันก็คิดไปหาเรื่องนั้นเมื่อแต่นอนหลับไปมันก็ฝันมันฝันไปตรงไหนมันคิดอ่ะ แต่มันไ ม, ม่มีสติเวลานอนอยู่นะเวลาตื่นอยู่มันก็จึงมีสติแต่สติที่ไม่ได้ฝึกฝนแล้วมันก็ชอบระลึกไปตามอารมณ์ภายนอกมันไม่ได้ระลึกอยู่ในอารมณ์ภายในเพราะ แต่ไหนแะไ่ไรมามันเคยส่งแต่จิตไปคิดแต่เรื่องภายนอกเรื่องภายในกายภายในจิตนี่มันไม่ค่อยน้อมเข้ามาคิดมันเป็นยังไง <c oughs> บ้านี้เมื่อมีการภาวนาฝึกขนอบรมตนตามคำสอน ของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้มีโอปนายิโกให้น้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาสู่กายสู่ใจนี้กายนั่งอยู่อย่างไรก็ให้รู้จิตในขณะนี้มันตั้งมั่นอยู่ ก็รู้มันตั้งไม่มั่นก็รู้ถ้ามันคิดจะพุ่งไปต่างๆนานาก็ควบคุมสะกดไว้เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่สะกดมันไม่อยู่นะจิตเนี่ยเราจะทำอ่อนแอเท่าแท้อ่อนแอเท่าไรมันย่อมถูกกิเลส จ, จูงไป ให้คิดพุ่งไปเรื่อยแหละอย่าแนั้นเราจึงต้องทำสติให้เข้มแข็งตั้งความอดความทนลงให้เข้มแข็งอย่าให้ อ, อ่อนแอเมื่อไม่อ่อนแอแล้วมันก็เอาชนะกิเลสอย่างกลางนี้ได้ <c oughs> ความรักก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ ความชังความโกรธก็ครอบงมจิตไม่ได้นนแล้วทางร่างกายก็ไม่ง่วงเหงาหานอนเพราะว่าสติมันสกัดกั้นความง่วงเหงาหานอนไว้หมดและจิตก็ไม่พุ่งส่น้นไปในอารมณ์ต่าง ความสงสัยลังเลก็ไม่มีเมื่อจิตหยุดแล้วนะเมื่อจิตมันหยุดคิดหยุดนึกลงไปเชนนีมันก็ไม่สงสัยแหละก็ความสงสัยของคนในส่วนมากเมื่อเวลาทําใจของตนลงไปแล้วมันสงบไม่ได้ มันเกิดความคิดนาณาประการขึ้นมาแล้วมันจึงสงสัยว่าเหตุเห็นอย่างนี้ถูกหรือไม่นอรู้อย่างนี้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมหรือไม่นออืเมื่อมันเกิดความพุ่งสร้างขึ้นมาแล้วมันสงสัยไปทั่วมันเป็นอย่างนั้นถ้าทําใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันไม่ค่อยสงสัยเลยวบบนี้ มันหมดกังวลแล้วนี่เมื่อใจสงบลงจากอารมณ์ต่างๆภายนอกแล้วมันก็ไม่มีกังวลอะไรบบบนี้เหตุนั้นมันจึงไม่สงสัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจสงบอยู่ในปัจจุบันนี่แหละบาปก็เป็นอนุวัตละไปในขณะที่จิตสงบอยู่นี่นะ ไม่ได้คิดเรื่องที่เป็นบาปขึ้นมาแต่ว่ามันจะละหมดสิ้นไปจริงๆริงยังไม่ได้ก่อนบาปก็ดีเพราะมันเป็นแต่เพียงข่มไว้ไม่ใช่ถอนรากของบาปออกทั้งหมดสมาธินี่เป็นแต่ขั้นข่มกิเลสไว้เท่านั้นแหละ โน่นถึงขั้นปัญญาเ น, นั่นหะมันยังถอนรากเหง้าของกิเลสออกได้ <c oughs> บุญกุศลก็มีอยู่ที่ใจนี่เพราะว่าบุญเป็นของสงบเมื่อเกิดขึ้นในใจ ของผู้ใดแล้วก็ทําใจของผู้นั้นให้สงบระ ง, งับลงอไม่ทะเยอะทะยานอยากได้อะไรต่ออะไรเนี่ยลักษณะของบุญเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามกับลักษณะของบาปเมื่อมันเกิดขึ้นในใจทําให้ใจอยากได้อะไรต่ออะไร ทำให้ใจนึกถึงเรื่องอดีตที่โล่งมาแล้วเส้นอย่างว่าเคยกโกรธใครมาเราก็ชอบไปนึกถึงบุคคลที่ตนโกรธนั้นเอามาวิจารณ์วิจารณ์เท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งเศร้าหมองไปยิ่งฟุ้งซ่านไปความโกรธมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้น อบางที้าไปนึกถึงบุคคลที่ตนรักใครพอใจอยู่ในอดี ต, ตนู่นไปเอาเรื่องคนนั้นเอาภาพของคนนั้นมาเพ่งมาวิจารก็วสวยตรงนั้นงามตรงนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอวิตกอย่างนี้เท่าไรก็ยิ่งรักมากขึ้นเท่านั้น อันนี้แหละบุคคลผู้ไม่รู้จักคมใจตัวเองอันนี้มันเป็นเรื่องอกุศลนะนี่น ะ, ะไม่ใช่เป็นเรื่องบุญกุศลให้เข้าใจความปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางอันนี้มันก็เป็นอกุศล เพราะฉะนั้นต้องมันเตือนตนเสมอถ้าใจมันพุ่งสร้างไปนั่นแหละตนกำลังสร้างบาปขึ้นในใจอันนี้มันต้องเตือนตนอย่างนั้นเราจะไปให้ความสงสัยลังเลครอบงาจิตใจโยถ้าผู้ใดสงสัยอะไรก็ดีจำไว้ให้แม่นแม่นแล้วก็ไปเรียนถามท่านผู้รู้ ท่ญญานจะได้ชี้แจงแสดงให้ฟังจนหายข้อข้องใจต่างๆจิตใจมันก็รวมลงได้ถ้ามันยังไม่หายข้อข้องใจมันก็รวมลงไม่ได้มันต้องคิดต้องวิจาร์อยู่อย่างนั้นแหละนี่แหละข้าศึกของความส ง, งบนะ เลหล่านี้แอพากันเข้าใจเพราะนั้นต้องพยายามกำหนดละกิเลสเหล่านี้เรื่อยไปเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็าตามมันเผลอๆมันเกิดขึ้นในใจเวลาใดก็กำหนดละเวลานั้นอย่าให้ใจมันยึดถือเอาไว้ ถ้าใจมันยึดถือเอาไว้แล้วมันก่ อ, อกิเลส ช, ชนิดนั้นให้มากขึ้นโดยลำดับทำให้จิตเดือดร้อนแล้ววะนี่นั่นเนี่ย <c oughs> การที่จิตใจมันจะสงบลงได้มันก็ต้องมากำหนดละอารมณ์ต่างๆหมู่นี้แหละไปเรื่อยๆ เงินเสียแต่ผู้ใดได้สำรวมจิตใจของตนมาตามปกติแล้วนิวรณธรรมเหล่านี้ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นผู้นั้นก็น้อมจิตลงสู่ความสงบได้ง่ายผู้ใดไม่สำรวมจิตแต่ก่อนนี้แล้วปล่อยให้นิวรนครอบงำ นิวรณอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำเข้าไปเวลามานั่งสวมที่ภาวนามันก็ต้องมารบกับนิวร์อันนั้นอยู่เรื่อยไปจนกลัวมันจะรังนับลงจิตใจมันจึงจะรวมลงได้มันต้องอาศัยเวลาปะนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเน่ะ เวลาปกติเราไปได้นั่งสมาธิภาวนาก็ให้มีสติควบคุมความคิดความนึกในจิตใจนั้นไว้อย่าให้มันคิดลอยๆไปโดยโดยไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อมีเรื่องที่จะเป็นประโยชน์มีเรื่องที่ควรจะทําเกิดขึ้นเราจึงคอยคิดวินิจฉัยเรื่องนั้นๆ ให้มันรู้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จำเป็นต้องคิดเนี่ยต้องสะกดจิตต้องสัมรวมจิตอย่าให้มันคิดลอยลอยไปถ้าปล่อยมันคิดลอยลอยไปนั้นมันย่ามใจแนละ้วันนี้นะเมื่อมันนั่งสมาธิลงไปแนละ้วมันก็มักจะนึกคิดลอยลอยไปอย่างนั้นแหละความคิดก็ไม่รุนแรงอะไรหรอกแต่มันคิดไม่หยุดอ่ะ ดังนั้นจะต้องอาศัยสติเนะี่ยสกัดกั้นความคิดต่างๆหมนี่อย่างใกล้คิดทีเดียวอะสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้ามาหาดวงจิตคือความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกนี่แหละคือดวงจนะิตไม่ใช่อย่างอื่นใด มันไม่มีรูปร่างสันฐานอะไรหรอกกิตเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นเครื่องหมายให้เข้าใจหรือว่าใจก็ว่าได้ใจได้แก่สภาพที่น้อมรับเอาอารมณ์ต่างๆเวลาเช่นรูปมากระทบในตา ใจกับน้อมรับอรูปนั้นไปเป็นอารมณ์ไปคิดไปปรุงแต่งขึ้นมาว่ารูปนั้นเป็นอย่างนั้นรูปนี้เป็นอย่างนี้ไอความคิดอย่างเนี้ยท่านเรียกว่าจิตอคิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปท่านจึงเรียกว่าจิตเกิดจิตดับนั่นแหละในพระอภิธรรมนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะไปถือเอาว่าจิตใจนี่เป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตน ม, มีเขามีเราไม่ได้โดยปรมัาท ธ, ธรรมแล้วจิตนี่ก็ถือว่าแต่จิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตตัแปลว่าความคิดนี่นั่นแหละมันจะมีอะไรล่ะ ธรรมชาติที่รู้นั่นแหละคือธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าอมตะเมื่อละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วธรรมชาติเหล่านี้ก็เลยท่านบรรยัติว่าอมตะแปลว่าทรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแตง่งนั่นเลย ไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งให้มันเล่ร่อนไปในสงสารไปหาที่เกิดในพบน้อยพบใจมันไม่มีท่าละมันหมด แ, แล้วดังนั้นท่านจึงบัญญัติว่าอมตะธรรมจิตก็ไม่ว่าใจก็ไม่ว่าอะไรอะไรก็ไม่ว่าทั้งนั้นแหละ เพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้หลงไหลไปในสมมุติปัญญา ต, ต่างต่างเหล่านั้นดังนั้นให้พึ่งพากันสำเนียกดูให้เข้าใจธะมมตดธาตุนะธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรงแต่งนี่เราปฏิบัติ ภาวนาเจริญสมถวิปัสนาก็เพื่อให้ปัญญาได้ยังเข้าไปถึงอมตะธาตุนั่นะถึงาธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นนะอาศัยปัญญาแหละเป็นเครื่องสอดส่องมองดู จตนี่มันยึดถืออะไรไว้ก็รู้อย่างนี้นะมันไม่ยึดถืออะไรไว้ก็รู้อาศัยปัญญาทีเดียวเป็นเครื่องเพ่งพินิษ ด, ดูเมื่อรู้ว่าใจมันยึดเรื่องอะไรไว้ก็สอนใจให้กําหนดละมันอ ขืนยึดเรื่องเหล่านี้ไว้มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนนเพราะมันไม่เที่ยงไปยึดไว้มันก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้มันก็พาจิตนี้ให้วันไว้เล่ยล่นไปมาเพราะไปยึดของไม่เที่ยงไว้อารมณ์ต่างๆกิเลสต่างๆหมนี้มันก็ลวน จ, จะเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นเลยเหตุนั้น่ะ เมื่อกิเลสมันกำเริบขึ้นมามันยังทำใจให้ป่นปั่นวันไว้ไปมาใจที่ไม่รู้แจ้งนะไม่รู้เท่ามันเปน็นยังไงเพราะฉะนั้นให้พากันเพ่งพินิษเข้ามาภายในอย่าเพ่งออกไปข้างนอกให้มาพยายามกำหนดละกิเลสออกจากดวงใจเนี่ย การที่เราน้อมเราเพ่งสติเข้ามาภายในพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะเพราะว่ากิเลสมันหมักดองอยู่ในจิตนี้ถ้าไม่เพ่งเข้าไปไม่คน้นไม่เพ่งจ้องแล้วมันก็ไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นก้นโมหะอาวิชามครอบงำอยู่ทำให้จิตมัวหมองมืดมนไป เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทถ้าทาใจให้อ่อนแอแล้วมันก็สู้อานาจกิเลสไม่ได้กิเลตัณหามันก็ครอบงมจิตนี่ให้อ่อนแอรเรื่อยไปแต่ถ้ากิเลสมันครอบงาจิตอยู่แล้วก่อนึกว่าจะทาความดีเท่านั้นแหละกิเลสมันทำให้ใจอ่อนพับไป ทำให้เกิดความเกลียดคลานขึ้นมานี่แหละลักษณะของกิเลสนะมีแต่มันจะทําใจให้โ อ, อนแอไปตามอํานาจของกิเลสทั้งนั้นแหละแต่ถ้าไปสะสมกิเลสไว้มากๆแล้วแต่ทาความชั่วเนี่ยมันกล้านะจิตปานี้นะนั่นแหละมันกล้าหานทําความชั่ว อ่อนแอในการที่จะทำความดีลักษณะของกิเลสบาประธรรมมันเป็นอย่างนั้นกลงกันข้าม ล, ลักษณะของบุญกุศลเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วทำให้ใจของผู้นั้นเข้มแข็งขึ้นมากล้าหารคิดอยากทำความดีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไป นี่ลักษณะของบุญเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมันโดนใจให้ชอบแต่ความดีอยากแต่อยากแกทําแต่ความดีอยากแกทําข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้แหละให้สังเกตดูจิตใจของตนมันเป็นอย่างไรบ้างนีนนน่มันเป็นใจบุญหรือใจบาปก็ต้องพิสู ด, ดู ด้วยตนเองก็รู้ตัวเองได้เมื่อรู้จักลักษณะของบุญของบาปแล้วนะถ้าถ้ารู้ว่าบาปยังครอบงำจิตใจตัวเองอยู่เพราะมันมีลักษณะที่บอกอย่างที่ว่ามา่นน่ะนั่นแนะนนนะเมื่อรู้อย่างนั้นก็จะได้กำหนดละบาปที่แบบนี้นะเมื่อรู้ตัวบาป มันก็ทําลายบาปได้เมื่อไม่รู้มันจนะมาอยู่ทําลายมันได้ยังไงอ่ะอ น, นเราต้องเพ่งพินิษเอาจนรนนู้เมื่อรู้แล้วเราก็จะได้พยายามกําหนดละมันไปเรื่อยๆมันก็เบาไปเบาไปละครั้งเดียวมันไม่หมดหรอกต้องพยายามละไปเรื่อยๆละกิเลสนี่นะอย่าไปเข้าใจว่า ละครั้งเดียวแล้วมันหมดไปมันไม่เกิดมาอีกอันนั้นเป็นจำพวกอุคติตันยูแปลว่าผู้ตัสรู้เร็วชั่วขณะจิตเดียวก็หลุดพ้นไปแล้วท่านเหล่านั้นนะแต่รู้จะมีแต่ครั้งพระพุทธเจ้านู่นไง เมื่อพระ อ, องค์ปรินิพานมาแล้วนี่ภะษาวพไม่ถึงอย่างนั้นหรอกต้องปฏิบัติไปอบปรมอินทรีย์ให้แก่กล้าจึงสามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ดังนั้นให้พึ่งพากัน เข้าใจในกระบวนจิตของตัวเองเสมอเสมอถ้าเราไม่น้อมไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่นะมันจะไม่รู้จักกิริยามันจะไม่รู้จักกิริยาอาการของจิตนี้ ว่ามันแทรกแซงอยู่ด้วยกิเลสอย่างไรกิเลสมันแทรกแซงอยู่ในกิริยาอาการของจิตนี้อย่างไรมันไม่รู้ถ้าไม่ทวนกระแสเข้ามาเพ่งอยู่ภายในเ <c oughs> นื่องนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจอวายวิธีลากกิเลสดังที่แนะนามานี่แหละเมื่อเรามาเพ่งอยู่ภายในนี่ ก็ไปจริงจังแล้วมันก็จะมองเห็นว่ากายนี่ก็าว่าแต่กายเท่านั้นแหละไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเห็นแต่เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองเวทนาที่จิตมันสวยอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอ ย, อย่างนี้เพ่งดูจริงๆแล้วมันก็ไม่มีตัวตนอะไร ที่จะให้จิตวันไว้ไปตามเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันก็ไม่วันไว้แล้วเพราะว่าเวทนาจะเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีทุกขะมาสุขะเวทนาก็ดีเมื่อเพ่งดูแล้วไม่มีตัวไม่มีรูปร่างอะไรดังนั้นจิตมันจึงไม่วันไว้ไปตาม เมืมันเห็นแจ้งว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีตัวตนอะไรนะอย่างนี้แหละอาจิตบ้านี้ได้แก่สภาพแห่งความคิดหรือความรู้อย่างที่ว่าเมื่อเพ่งดูจริงๆเข้ก็เวลาก็ไม่ไม่มีรูปร่างอะไรเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองอความคิดความนึกที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นท่านเรียกว่าธรรมรม ธรรมรมนี่ก็เพ่งดูจริงๆแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรมีแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้เพ่งดูให้มันเกิดเป็นอนัตานุปัสสนาขึ้นมานั่นแหละให้มันเห็นแจ้งว่าไม่ ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ในขันห้านี้เลยต้องเพียรพยายามเพ่งไม่เพ่งก็ไม่เห็นแจ้งบุคคลผู้อ่อนแอท้อแท้แล้วมันไม่มันเพ่งไม่ได้อันพอเพ่งไปน้อยกิเลสผลักดันเอามันผลจิตพลิกไปทางอื่นซะ มันไม่จ้องอยู่ที่ตัวเองอย่างนี้นะเราต้องพยายามนะพยายามเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเพ่งเข้าไปยั่งเข้าไปถึงความรู้นู่นเพ่งอยู่ในความรู้อันนั้นจนมามันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตน แล้วก็ปรงก็วางไว้ตามสภาพอันนี้แหละเป็นอุบายถอนรากถอนโคนของกิเลสออกจา ก, ก จ, จิตใจโดยลำดับไปดังแสดงมา